ที่ทะเลเป็นอันที่สองนะวะบวชอยู่วันแล้วเพราะไงสอวันแล้วมาที่แล้วจะมีจะค้นนะแต่วาศิษเยตกหน่อยอื จะว่าซาล่าเข้าจากน่อยใสจากน้อยอ่าประเทศจีนอ่ะจัดอีกีนาบว่าได้ขยายซาลาใหม่มาเนาะจีน่าจีน่าสีหลายคนเองดิปีจัดก่อนหลวงปู่มาได้งซาลามาตีนิ่เต็มเลยจีน่าขึ้นอีกเท่านึง ได้สองศาล่ามันจะบดได้ออกกางเดินผมว่านี่แหละบุญบุญหลวงปู่ใหญ่เขาเออหลวงปู่ใหญ่สันนีเมตตากับพวกเขานี่นายเย้บายบุญพันพ่อและหลักหลวงปู่ใหญ่ บนพันพ่อแล้วแต่พันเมตตาเห้าอยากให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหตจังไรจังสิได้ผมเที่ยงกันก็เลยจัดเป็นว่าเป็นวันครบรอ่อาอายุวันทนาของคนเป็นวันเกิดของคน ถือว่าเป็นวันสิริมงคลเรได้จัดขึ้นว่าในช่วงนี้นเป็นช่วงกลางกลางปีช่วงขึ้นกลางปีก็ช่วงนี้มันบอกอกลางปีแล้วเพราะว่าหลวงปู่พ้นเกิดกลางปีนะหลวงปู่ คนอนได้เกิดปีเดียวกันกับนายหลวงของเข้าประสุนแล้วก็มีหลายองค์ที่นี่อายุวัฒนะปีเดียวกันมีเยอะหลายองค์พระมาหาเทหละเป็นกนับว่าเป็นผู้มีบุญคนที่เกิดปีนี้เป็นคนที่มีบุญในมาบวช บวช ด, ดักายูจนตลอดชีวิตกระหลายองค์พระรณาผ่าเปรตกะมี่ชุมเกิดสี่เดียวกันซุมยังย่งโยคะมี่นั่งหน่อยได้ขอนะได้นั่งหน่อยแล้วกะมีโดปูห้าหนึ่งละนั่งเฉิงแร่งดียู่ แต่ว่าคนในมักจใส่เรื่อผู้เทาอืมพนั่นก็อยากมาเอาไปพวกนี้ก็อยากมาเอาไปเน่เามาทใดงานหลายเออ่นเป็นยังันซื่อพระพุทธเจ้าล่ะงานหลายเออสิบปริเนธาน ย, ยังยังมา่องไปเมื่อกุละละอสีลาล่าอีกอยู เดินทางไปเมืองกุเชนาราไปยังกุเชนารากันถ้าจะบรรดาญ่ายไปมันกันหลายเมืองกุเชนาราเป็นเมืองประเทศปลายแดนประเทศอินเดียอแล้วก็ผูกค้นกันยังวัฒน์เลยได้พัฒนาก็ถึงผูดถึงบ้านเมืองถึงนชนบท แล้วก็บรเจรเลิศ น, น, นี่เ็นี้อมูลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าคนจีบมุ่งไปปรินิพานที่นั่นแปลว่ามหากษตรทุกหัวเมืองก็คิด็จไปที่เมืองกุสินาร่าไปเห็นทิ้นกันดานแล้วก็โปลานโพเกว่าสร้างเบียดหน้าพญน า, ยาเบียดเมือง อันนกันเป็นยั้งสัน้นกันเมืองใดอนี่พญ่าไปยูไปเหยียบเมืองนั้นเกิดขิ้นจะเลื่อนขึ้นนี่พระพุทธเจ้าเป็นใจโปรธไปพัฒนาหรือว่าไปก่อเทพัฒนาเมืองกุสเซนาราแล้วค้นก็บูฮจ็กเมืองกุสเซนาร่า ท, ทุกวันนี้ เขาก็ได้เจ้าไปคาังนั้นตอนไปปรินัติภานกแม่บอ้องว่าไงกูได้ใบวชในบวได้เลี่ยนพูดจากด้วยเมื่กูเซียล่าแต่ยังูงจะพระพุทธเจ้าปรินัิภานกย้อนนี่ยสำคัญบ๊อบาดนี่ยที่ังเวส์ประศุตัสสรูปริภาน แล้วก็แสดงเข้ามาแจากกับพระนางสารสูตรแสดงขาสีทั้งเรนนี่แหละพะพานโยบายพระพุทธเจ้านไประกาศของพระพุทธศาสนาแล้วไฟแล้วนี่ยมเมนไฟปรินี้พาดอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไปไปดยความเมตตาสงสารนี่สงสารชัตโลกทั้งหลาย ดีจิตกำลังหูงหนวกตาบอดจูทั้งแม้ว่าพระพุทธองค์จะเข้าปริษสูปริเนิท่านเามีเวลาหรือโอกาสที่จะได้โปรดประชาชนทั่วไปในเขตเมืองกุชินา่ากระามแลวก็จะฝา ก, กขับขี่พยานเอาไว้ในเมืองกุจินาลาจากยเกด้วยก็คือ และที่หลักร่างกายสังขารของพระพุทธองค์เริ็ิมีานอยู่ที่นั่นแนวอันนึงแต่ฝากไว้เมื่อพระพุทธองค์สเสด็จไปถึงเมืองกุชินาราก็มนี้ท่ามขามาข อ, ขอฟังเทศท่าผมเป็นพุทธเถ้าคือจัะพยานนี่แหละ เป็นยังไรข้ามเขาเข้ามาก อ, อยากฟังเทศเพิ่มอันพะนุม่มพระนุม่มยังว่าท่านใดสำเร็จจิตเป็นอริยมรรคอริยผลยังว่ า, าในเป็นพระอรหันต์มมกะอรหันตผลความลูกแกงเห็นจริงกับว่าท่านในเกิดขึ้น ความรู้การไก่กพราะนั้นได้เกิดขึนคิดเอาแต่ปัจจุบันคิดแต่ไห่เข้านี่ล่ะค็ดแตงไหนาะคิดนี่เราินเมื่อนี่อืมคิดไนาอสิเมื่อเงินใส่นเมื่อนี่อคิดแต่สี่ละคิดตแต่ปัจจุบัน่มืออื่นคิดินงย่งนอะไรเ่ จิตแต่จากจังซนี่คือผู้ตช้ยท่อนได้พระพุทธรรเจ้าบรนคิตเนี่ยบรรจิตเลยวุ้าศาสนาพุทธของเฮาเนี่ยจะไปถึงยุคภาษีอริยเมตไถ่สืบพ่อต่อไปถึงยุคภาษีอริยเมตไถ่เนี่ยคือความเมตตาสงสารของพระพุทธเจ้า เราก็มีอ้ามเข้าไปขอฟังเทศเน่ยเขาไปขอฟังเทศแบบพระพุทธชนนวายังไงเลโอยอเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ามายุ่งเกี่ยวอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งพระองค์อาภัณฑักไร้แล้ววะท่านแม่จาคล้องร่างกายสัขงขารกาับชิบว้แล้วนั่งก็ได้แบบคองไว้ เพราะว่าการเดินทางไปถึงกุชินาลาหรืเซนลีลาเป็นสามเดือนนี่ ม, มันเป็นธรรมดาที่ผู้เท่าเดินทางตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยกรรมนี่นะเสวยกรรมันไรันอาพาธนักนะอาพาธนักทั้งเป็นไขอทั้งเจ็บท้องทั้งปวดหัว ทั้งท่องรวงทั้งไอเกียนไอเกียนว่าไม่อเกียนธรรมดาไอาเกียนเป็นเลียบทอนนี้ทายก็เป็นเลียบทอนนี้พระพุทธเจ้าเดินทางไปแล้วนะสามเดือนในช่เทศกาลเมื่ อ, อกุชินาดคิดตรงรู้ความลำบากแด้ว่าพระพุทธเจ้าผ่นมาได้คิวดว่าความลำบาก ถ้าเราบร่ได้เสด็จไปเมืองกุชินาลาอยูตังเซเมืองพราณาสีหลักักคื อ, อเงสีแล้วธรรมะของเฮาที่นี่อยู่เนี่ยจิตสิทจิ์ลงท่านี่บ่ได้ขยายผลออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะขยายผลผู้ทีเ่เก็งสักคีพยายามจะไปผู้ที่สองขั้นในรั้งสุดท้าย ยังนีิยู่งคนจึงเด็ดจะเด็ดไปที่ลหนนั่นพ่อไปแล้วก็มีภาพเขามาขอฟังเทศพระกามิตาหามเด้่ยเคยจังหวัดเท่าจังที่ละ่ะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่กันโนมมากคิดว่าฟังเทศโอ้ยหลวงปู่พักผ่อนอยู่หลวงปู่พักผ่อนอยู่ เดีย๋ยวมากวนพ่นเดี๋ยวมากวนพ่นเฉพ่นพักพ่นแต่ว่าหลวงพันพกพนแล้วล่ะแต่ว่าพันนี่น่องกสงสารพ่นแต่พ่นกรสงสารบุกศิษย์เดิโอยเขามากเขาชิมเอาธรรมะอเพราะมันชื่อพวกเจ้าพวกเจ้าน่ะเฝ้าคออย่นี่คือจมดแดง อ่าฟงักม่วงนี่นะฮ <c oughs> ึแมนบอกว่าไงเนี่อหมายพระพุทธเจ้าคนบาทแงขันนี่นะอะ่พ่อภาพเหยียเขามาผู้นั้นก็ห้ามผู้นี่ก็ห้ามพระพุทธเจ้าไปถึงอะไรก็ประคองลงนี่นี่จะสิร่วมจิตเขาสู้ปริญญาผ่านอะไรนั่นแหละ นี่ครับวาเมตตาเมตตาแล่ว่าเมตตาแต่การพู้ที่มาฟังธรรมเมตตาเพื่ออนาคตจะเป็นสักขีพยานคือผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนสุดถ่ายในพระพุทธศาสนานเป็นในในบัดนี่คือรวอมคิดการไกลของพุทธเจา้า ประกาศสนะว่ามนประกาศอาฉพาะปัจจุบันเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธ อ, องค์ยิ่งแค่แสดงธรรมนะแม่พระอานุน่นจะห้ามทิศสูรู่งอื่นที่จดตามไปห้ามม้อยขอมา้าได้ว่าพระพุทธเจ้านะบอกให้เปิดทางให้เจ้าขอมาหาเห้า พ่อเชิดแสดงทําไม่ฟังวะนี่ยพระพุทธเจ้าพ้นเอาเป็นสักขีพยานไปพ่อพ้นแสดงถ้ำผ้ามก่็ได้ปกิดกระท่าพร้อมเด็ดใซสขอบวชในพุทธศาสนาแล้วก็สั่งใจบำเทนเพราะว่นหน้าร่วมจิตต้องไปเออ ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหานเป็นคนชุดิไทยทางทางที่เป็นคนแก่เนะก็ได้ใจลึกเอาไว้ทวทุกวันนี้นะั่นนั่นบริเวณธรรมดาได้คนเนี่ยตางสงสารนะและหลวงปู่หลวงปู่อ่อนนะเป็นพระบ่อนอนกลางวันนะนะี่ไมยุบเข้าเนะนะี่ยไม่หยุบเข้า ลงผูอ่อนเป็นอาดหนักมาอยู่โรงพยาบาลเิรีรากรุงเทพหมอเขาบ่าหมอหานี่ก็ได้ไปเยีออ่ยมหามเยีย่ยมยันที่โรงพยาบาลเินีราโยกข้างล่างก็หามบ่ า, ายเกร็จมากโยกข้างบนก็หายอยู่เฝ้าประตู แต่นี่พระองค์หนึ่งเป็นพระมหานิกายเป็นพระลุนทีเป็นเป็นายาทกันเดออ็กกว่าชื่อว่าหลวงปู่พัน อ, อยู่บันดอนเงินผุเพระว่าปีเจ้าตัวดอนนี่แนหะอะหลวงปู่พันออพันได้ไปเยี่ยมและยินมาหลวงปู่อ่อนอาภาชนะไปเยี่ยมเราพวกหมอบ่ายึ้นมาเนี่ ปกหมอไหวิปก็บู้มีผู้ใดจะไายงานน้องปูเนาน้องปูไปอยู่ในห้งองพิเศษปกยุกขา้างนอกก็บู้มาไล่งานปกพระเน้นกระไรว่าผู้ใดมาบ่มาบ่้หายเทาเยีย่ยมคือว่าหมอเขสาสร้างไหวพระกระเชิงคัดเลือกน้องปูอ่อนเหมนกันเลยเรียก เลี่พะกับท่ายกลุกซิดพันลนล่ะเขามานี้เขามานี้น่าใช่ไพมคนกับบ่าเสียงกับคอยคนแห้งคนหน่อยแล้วเออนเรียกเขามาโอ้ไมนอย่างโน้ดองปูอยกพูดขหน่อยเขามาหยังเาะพูดหน่อยนี่พระแก่หม้อเหยี่ยมเฮ้าดิตรางคนมอเข้าบ่อย้นมาใช่ไหม ถามเราก็หมอก็ถามมาซ้อว่าเสียงไรฮะื้วว่าหลงตาพันน่ะใช่ฮึมไปบวชหลงวงพ่อหลวงปู่ออนได้อะซืลงตาพันเป็นมหานิกไก่ก ม, มีาโมมีเสียงเด้งหน้าเน่ยค่อนบอดังเนาะเขาก็โบ้โหเขาก็ไหวขึ้นแล้วคือหลวงตาธรรมาดาเนาะหลวงปู่คนนั้นไปบอกหมอ บอกล้องทีขึ้นมาหาเฮ้ามานงคีพัน์มงทีพันม์น ม, านมาเยี่ยมเฮ้าอบอกมาบอกว่าเฮ้่บอกขึ้นมา <c oughs> ไลยล่งไปท่านพระท่านโยมเนะ่ะเรียกขึ้นมาลงไปไปเห็นลงผูพัฒน์ังอ่าเอ า, เอาพาเนาเศ็เที่อายุเี่ยมันห่อนได้ขางลางนะ หลวง พ, พูนเป็นผู้จักหลวงพูนนะหลวงพูพพพพออนผู้ได้ศิษไปสิมาพู้นี่หูพ่อขึ้นมาโอ้เป็นยังไหงหลวงพี่าเช่นท่พนทีพุทธผู้มาเยี่ยมที่ถามก่อนเน่เแต่จังไดมาจังไหนโอ้ไดยิ่งเขาบ่าสบายเขาไดมาเยี่ยม <c oughs> ิดถึงกันอยู่บม่มาเช่นผู้เควงกันศิษยเศร้าอยู่ดอกมาเช่น แค่มาเป็นพ่วงอเทอาะนั้นข้เวว่าวกันเรื่องภาษาพุทธเอาหลวลงปู่พันในสันสิเชรัญหลวงปู่อ่อนด้วยสามปีนี่นเป็นมหานิกายนี่คือความเนตตาสงสารหลวงปู่อ่อนพันจะเป็นพระบ่อนอนกังวัล อาภาจังนักหมอตั้งไหวว่าให้พักพรานั้นแหลี่ให้พักพรานใบสามงงจังออกจากกุฏิเมื่อไร ก, ก, กันั้นแหลี่กับไปนั่งอยู่โต๊ะที่โซฟ้าจันสิโยมก็เล่นคิ้วเขาไปกาบมู่ได้เขาไปกระเทศให้ฟังมูได้เขาไปกระเทศแดนฟังกันเลยมือเหนื่อยมัดมือหอดคํา งานมือกสีละทําม่ได้เนี่จังบดสามทุ่มสี่ทุ่มคนจังบดโอ้ยเห็นหลวงปู่นหลับแจกหลายหมอกระชังแล้วชังอีกโวกคุบาเบิงง่งหลวงปู่เด้อไปกำหนดการได้พันผู้ใดก็บอกล่าวเบาแน่ทุกตั้งสลังขไข่ไปว่าไปอุบาไปหัวหนูหลังไป อไรเห็นประกาศหลวงปู่โมกกระเขนไปนั่งเดียหลั่งยืดทัางหลังโอกาสพแม่หลวงปู่เนี่ยไี่ยังนะนี่ธุระยังเพราะฉันเจ็ก่เ็นแกเสียให้เข้าได้บอกเจียงแห้งได้ไม่อยากให้เข้าบอกแต่ว่ากระซองบอกเพราะว่าเขากำลังสารท่นเห็นท่นบได้ผลหลวงปู่ได้ท่านที้จะผัก น, นเจ้างั้นดาวคนเก็ดเตุตมหมอจ้งงางลงภูเขาก็บใบาสา ม, มุ่งจ้ออกทังสีนะก็เลยเขาปรกาศเี่ยนผโอ้ยลงปูมงหมอกระพนวาให้ลงภูนี่ยพักคนนี่ทัานดาเองไอเหตุเคยเจ้างลงภูเขาครับผมเขาพักคอ น, น, น, นกับใ บ, บ, บาสา ม, มุ่งเจ้าออกก็รับแขกให้รอขน่อยกระพับลงภูก็ทีไรแข่งแรงอมา เออทันวากังที่กัดยูนบ่าวาปดีนะดีว่ากันครบทันมากเลดีว่ากันมาในนํำจังที่กัดยูนะว่ายมเขามากพรองคต้นมาจากฝากกรุงเทพกับนี่นมาจากกรุงเทพกับี่เออมาจากตั้งเจงหวัด ผูน ano, ั <But> ้นกับยุ Cross ่จ really ังวัดนั Bei ้นผู้นี่กับยุ่จังวัดนี่มู้นั้นมาจากจังวัดนั้นมูนั้นก็มาจากจังวัดนีนี่ก็จังวัดไกลๆวิวายใจเขานี่เขามานี่ยเขากะนี่เวลาจำกัดแต่เราคนมาเนี่ยเขามีได้จำกัดมาแล้วเขากะชีวะได้มานอนยู่ดี่อะอรมาแล้วเขากะชีาะฟังเทศฟังรมเนีเขากรชีดกับเนี่ยธรร กับเนบานกับทัาบ้านแบบนี้เวลาไปทามาหาอยู่หากินเรื่องครอบพว่วเรื่องลูกเรื่องหลานเขาห้องผู้เดียวนี่มาท่วงท้วงจะเลื่อนเขาเขากป็นเมานาังถาอยู่บัดมือมาท่านเง <c oughs> น, นห้นอง น, อนั่งด้วนี่เนผู้ใดกระซาวมาท่านทนะันวลงผู้ใดสีนอนก็ะตามมาท่น กทิตายชื่อกันวัชราลามาท่นานบนบาอันนี้หลวงพ่ออ่อนว่นานี่เขามีลมหายใจอยู่เนี่ยอคําพูดของเขาแต่ละคํำเนี่ยออกมาให้มันเป็นประโยชน์มาท่านนั้นเป็นประโยชน์กับผู้พคนมาหามาท่านเขามาแล้วเขาฟังแล้วเขาพยุดอกเฮี่ยเขาก็ยุดพยุนี้อให้หน้าเขาก็พยุนี้ เขาก บ, บระเบือดเขากระชินยักษื้อเกาหละนะท่านว่าฮขาวัดดีโยชัยหังบ่เอาน้ำหัล <c oughs> ละหลวงปู่พันพันบ่เห็นแจกเกียตัวแล้วกลับจากโรงพยายบาลไปใหม่ๆพร้พอมพร้อมมีตะ ก, กระดูกได้อาทิตย์หนึ่งถ้าอาทิตย์หนึ่งอยูอ่วัดกับบริพารก็นักแขกที่เพิง่งเข้ามา ให้เมืองสะ ก, กลผดักฟ่องเทศเขาจัดงานบวชที่ภาพเ่ินศีลาที่สะ ก, กลมาค่อนนะแ้่ไปมนปมดหลงวงภูนี่มดหลวงภูคือบล่มพกกีภาพเห็นไหมะน่อยมาสันเพื่อกลับมีมดเขาพอได้ยินว่าเพื่อกลับมีมนกันอ้ยเขาระใจสขาดแล้ ว, วเนี่ย อถ้าพันยางก็ไหนแบบข้อหัวนมนี่จะกระดูกแมมีจะหางกอขึ้นไปนกราบเลี่ยนแหนบันโอ้ยลงปูนี่มดลงปูพักพรอนแมหมอเขาว่าให้พักพรอนแต่แขงแดงก็นงไนจะไปอะไนอยนีมม่มดไหวได้บ่เออทันมานีมม่มดกระดียูอาไรเนี่ ดีบัตถุยางมาสิโมทิดจักรยางดอกเมาสิเดาว่าเออเขาอยากข้องเทศผมเนี่ยใช้มุ่งสะกดนค้อนมาสิเขาก็เลยมานิมนต์ผมไปไ่อบรุมพกที่ผ้า ม, มาสิโอ้ยอยู่จังหวัดสะกดนค้อนหลวงปู่ขวัญกับ น, นี่หลวงปู่วั่นกับ น, นี่หลวงปู่เหร็กับ น, น, น, น, นี่เออ สิฟั่งเทศผู้ไดนี่จะนักเทศทั้งนั้นมาเอะกรแมนดูบกอกว่าอหลวงพูทเทศที่ทำขามกรมี่าเกแรแมนยุดอกคันวานั่นมาเถอะแต่เขาบ่กจะไปมุ่นอาจารย์ทุ่นั่นมาเัอนเขาจะฟั่งเทศผมเพราะว่าอีกหล่ะกับพ่อยูอีกคือเขากับไปอ่อนะ่นะไปแล้วกันผมเป็นอีหยังข้น เมื่อจังหวัดสกลนครเขาก็มีโรงพยาบาลอยู่นะจ๊ะเขาก็เสีเอาผมของโรงพยาบาลเมื่อสกลนครน่นละนะจะกันเขาตายเออกันผมตายเขาก็จิจัดงืนศพไดอกนะจ๊ะเออกันผมว่าตายจะเมื่ออื่นให้พวกกันเนี่ยไปหาผมวัดป่าจีรนันเดอร์นะอมเพอผมว่าดีนะแต่ตั้งวัดป่าใหม่ๆบันเตอร์นนั่นะอมเพอผมว่าดีนะ ใบาสามโมงผมคิดมะฮอดหันมานจ้ะเป็นก็ได้ไปรัดจุวัดปลาชีดอนเงิน่เเนเทศแล้ว่นสามารถถึงมดปลาชีดอนเงินกั้พักโยห์หันมาเหยียบหยาด่นลกหลาน่นสมมาปรดพระทิคูซา ม, มนเน่ปลกหลานเท่าเนี่ยมะฮอดกับมาเทศไอ้พระเน้นนกันลงปูมาเนี่ยกันพ เ, เ, เ ศ, เ ศ, เศเ้าวนี่ ทานเองก็ได้ติ่งนะทุกรกูปเลยวันนั้นนั่งปั่นจอมอไม่หอเออกันเท่าสิทธิดมาสิทธิดโดนแพ้หลวงปู่ก็กกว่าจะเสอกันเท่าสิทธิกอกันเียคล่องข้นรอดคล่องขึ้นรวด เอาทำ ม, มาให้มันกระบ่อยากเอาเส้นมันขีคานมันจะไปนั่นพผล่หาดีชีตาหู้เพระเธอเธอกำลันนงนิ่งคิดถึงกระบอกกาคิดเงียบประเทศสามทีสู้หาสู้แต่ก็อ่อนลงอ่อนลงมาเทียนเสื่อมีหนึ่งีส อ่วนหนึ่งก็เข้าในห้องไปจัดท้องมั่นม่ลองปูขึ้นถามปีกขึ้นท้อมได้จะไปด้ถามเข้าไปในห้องไปไปนวดอีกเ่านี้ดิไปนวดเท่านี้เทศข้ออีกเลยไปนวดเ็เออเดเจเตอนนวดเจ็นหนึ่งก็คือตอนนังเทศจังที่การพันเทศจังที่พันเทศกลัวไปกันเข้าไปนวดท่นี่พันเทศเฉพอ อย่างเก่าเก่าตั้งแต่ว่าท่านบวชก็บอกให้ฟังบ้าบวชมาแล้วเป็นยังไงก็บอกให้ฟังบ้างคิดเอี้ยงมันจียงท่านใดก็บอให้ฟังบเอาชนะคิเลี้ดดก็บให้ฟังบนี่ท่าน่านมักสาวไปเอมนมักสาวนทบาทอืมเออ ขั้นขั้นที่หอบปฏิบัติปฏิบัติชอบมากแต่ถ้ามบวชมาสิบบานในยุก็ไปยุก็ลงปูมันมาสิบบาตมันติดเป็นบ้ามันว่าฟั่งลงปูมันนี้มอือยืดเหียแต่ยิ น, น, นทาบาทในบา้านลงปูมันบทุาไปตั้งสมนัติถี่ปฏิบัติธรรมหรือทังสกุลนอนไปไปบุกเบิกใหม่อ่นขอขานี่ครอบครัวหนึ่ง เขาบอกอุปถาอุปถามาถลงปูขูบ า, าอาจารย์พากับเนียน่ยเลยแต่ทีว่าทำอาหารมาตอนเต่ามาเ็ศอาหารยวัฒนคนอื่นยังมาท่านไหนเขาวัดเพรากับเนียน่ยในมาเ็ดอาหารถวายพระเป็นเองข้างแล้วก็ยมาเร่กับมาต้มน้าหอ้อนเจ็บบานเจ็บยามาต้ม ทำัยกวนมันพวกนี่ตต่างเลยเขาก็ไปหาต้นต้ตนนั่งหวานมาต้มต้มแล้วกมื่อนี้นี่รสข้าวหวานไอ้อยน้อยเดียวโอ้ยแช่ผดประสันอวา ม, มันพระนมเลเห็นอมานี่กันไปยู่หันกับพระกันหลายเรื่องแปดสิควลูกคนนี้ไปยุ ป, ย ป, ปฏิบัติทรงปู่มันฟังเสียงฟังซ้ำ มาไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่มันพระรุ่นเดียวกับหลวงปู่อ่อนกันี่หลายองค์ไปอยู่ด้วยกันบ้านนี่ไปบินทบาทในบ้านเป็นเพนกว่าเป็นไม่ได้ไปเทศทั่วไกลที่หรอกเจ้าคนนี้ก็ฉิมมารองต้องชังน้อย <c oughs> อนี่แหละขนาดเพ่นปวิบัติขนาดนั้นดูกับหลวงปู่คู่วาอาจารย์ ไปบินทบาทแม่บ้านนะอันลูกสาวอันถ้าโย ว, วัดอพอกับแม่ถือมาัดเจอาทหารเสียบาดตลอดแม่เลิศบอกว่าไปตักบาทให้แน่เนี่ยข้าเจ้าทหารอยู่อะไรอันลูกสาวเขาเป็นโมาซักบาทว่าใช่ลองปูคนหวานอลคมาซักบาทนี่น่งนั่นกระโหลก็ได้สิบหกปีว่าใช่อืม พ่อไปดินธาบาัติคู่มื อ, อ, อ ก, กับว่าบังหนาค้นดอกวะเช่นเมื่อหนาเช่นไรเงื่อนเสร็จเ่าบังหนามานาันนักว่าเขาอ้อนว่ามันบาดชุดมือวะเช่น <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้ขานี่ตายแล้วผู้ขานี่ตายแล้ววะเั่นกันใจดินธบัตเขาไปใกวัดเขาไปในวันเลยเอาบาทไปตั้งไว้ กัดอาหารแต่กัดใช้ก็มูอยู่หลวงปู่มันพันกับว่าวาที่ไหนอนเข้าวันว่าเนพจะกัอาหารเช้าบ้างนั่งนั่งเบื่อหวานยื้อๆจิบาตรเลยมันฉั้นแม่มืบอกว่าขนาดฉันเมื่อเดียวมันกับยังกิดเหล็กได้ปานนี้นอจ๊ เมื่อนี้บอสันมาเลยพ่อบอสันแล้วก็ไปกุฏิอืมไปกุฏิไปกุฏิแล้วเขีเส้นไหนบ้เมื่ออื่นพวกไปกินถ้าบ่า ท, าทะะมากันไปมีเสียนมันอีกเว้ยเลยอ่ายันเห็นลูกสาวท้ายกวัดนาะอ่ากันไปวัดมีเสีเ็นมันอีกเ่ไปมาเลยเมื่อไปกับบอสัน งั้นมาแล้งออกว่ามาฉันน้ำพร่องพาอมานางกับนางเป็นแถวที่ฉันน้ําร่อนคือจังที่ฉันแต่งทนานี่เนี้ยผูบาดจานตะกรอนปฏิมาฉันน้ำพร่อนพอมเที่ยงกันเนี่ยที่แกวไขเก้วม่านมั่นแล้กันการนาบกระซ่งไปน้ำตาลกระร่งไปพุทธรอนเห็นห้ามันนี้น้ำตาลก็ฉันั้นเดีนแวเดียวจัดน้ำพรอนไปแล้วที่ใส่เกยวไปแล้ว ลหล ว, วงปู่มันกันทนว่าท่านเบาว่ท่านบอกว่าเอาฉันบางทีผมก็ได้ฉันเนยพ่อทรงนำหานเดาเวือดต่อยหลวงปู่มันเพื่อกะนั่งเพราะว่าหัวแถวมู้พวกข้างหลายเพ่อจะห้องคืนบัดแหงว่ามู้พวกข้างหลายเ่จะนี่ท่านออนมันเป็นบ้า ท่านอ่อนมันเป็นบ้ามาสิ่านผู้พวกทั้งหลายเบิ้งให้ดีเลยสิท่านอนเป็นบ้ามาสิ่นมันบ้าท่านไดมันติไปท่านนั่นตัวมาสิท่านท่านบอกท่านนั่นนี่ยโอ้ยว่ามันใจสิขับมาสิ่านอายท่านหลยาสิท่านเออไ่ได้บอกให้ผู้ใดฟัองใจเยนเ่ได้บอกไม่ได้กิดสิท่านผู้ใด้องมันบ้าท่างไดมันติดไปย่ท่างนั้นมาสิ่าน มันจะไปกลับคองเก่าว่าสันเกิดมองนั้นจิกลับไปมองหันน้าวามหมายอ่าพันปศนันพันปเรศบาลยายหอกแว่าเจ้าของใจสิขาดเดีวมื่ออื่นน่ะเตรียมจัวะเศ้าว่าันไปส่งทันอ้อนว่าสันพูดอ่ะเขาดงเชือนเชือมันจีนมันตายว่าันอ่า ให้ก็เสียผู้หญิงมากินมันมาสั่นโอ๊ยบ้าจะตายแล้วน่าขูดอ่าอ่เพิ่นก็เพิ่นจีเป็นนั่นนะมันจีนลักเข่ารอบสองนั่นเพิ่นไปเห็นแล้วเมื่อที่สามเพิ่นหนีเนี่ยเพิ่นหนีก้อนหลวงพูอ่อนเ่นกอนหลวงพูหมันเพิ่นชวานี่นะเพิ่นหนีเพิ่นลักหนีเดี่ยเพิ่นเฟลาหลวงพูหมันเนี่ย เมื่อสิหนีนั่นนะ่ะแจ้งบาดไวแล้วแต้งบาดแจ้งบริฐานแล้วกูว่า น, นี้ว่าใดดอกก่นกูนต้องตายย้อนอีนั่งนี่ค่ะค่ะกั่น <c oughs> ว้าวันว่ามานในแส้งบาดแล้วแตว่เว้บายได้บา่นีใบสามใบสีอกันกูสิไปแต่ใบาสามเนี่ยถ้าเทียมันออกมาแตา่านมันสิไปหน้าเหรอั่น เอถ้าพระี่ท่าเส้นเดียวพระนีนท่ายางหน้นาพระปัจจ่บังที่ฝากพระทั้งที่ททบ้านพระดูทั้งนี่วัดพระดูกลา ง, างทั้งที่กันไปทั้งบ้านฮัเทเชียมันออกมาจา ก, ก บ, บ้านสิไปหน้าที่นั่นงนี่มันเคยไปคับหาบเอ่อพื้นหาบของอันเรนีย่าเมย์มันกลับมาตั้หน้ากระพริวมาเน่ยมันเป็นคนดีไปเลย มันมันไปมันเที่ยวไปครับอมาถ้าเกิดว่ากูย่างไฟมีแต่พออยู่กลางข้างคนเดียวกูเช็จังไดยวาชั้นการชิดไปทั้งหน้าถ้าเทียมันมา้าจะหน้าก็พอมันกูเช็ดจังไดยอีกวะชั้นตายแล้วบาดเนี่คิดพดตกลงแล้วกันคิดไปทา้งฟ้าก็เป็นดงสร้างดงเสือบาดเทง เดี๋ยวก็กสิกรับสายบัตเนี่ยไข่มันทำคนอีกจะง่อยมาจังก็เลยพลาดไอด บ, าามมาบา่าม่วมาจังมันเข้าไยอดได้เหรอวาจังตอนนี้มันก็ล่าสิกลับหน้าสิบเขาไปทั้งในบ้านจนะัะบางเ อ, อิญเมื่อนั่นน่ะพอกับเมียมันฟังไหวว่าให้เตรียมหมูเจี๊็ดเจ็ดเจ็เ๊บไดเ้เลยจังออกมาหาพอหาเมียด้วยวะจังมันก็เลยไปทำมา <laughs> ไปคำแล้วไปพ่อกันพอดีกงางท่าเหมืนกันจะของก า, างท่า น, น้อยแคบๆปูๆปลาพวกพวกเหมือนนในยังถแขกข้างหน้าเงื อ, นนองหน้าก็เลยยืนีดีกับักหน้าเลยขาอ่อนตายเนี่ยพวกขาตายเน้วยหันดังในกับเขาวบ้นบ่ออกว่าเบียนทบาทจะเช7ดมืออะไรก้ อ, อน ล, ลงปูคนเฉมหายเดือดบาดเนี่ย พันธิไเขาไปดงเสือาั่นพันบอให้เข้าเวลาให้เข้ากล้องง่ไปเบียดเสร็จ น, น, นั่นนะโห้ยไปอยู่ดงเสือาั่นเอาเทปบานไปน้ำเอาพระไปน้ำพันจะถามมามีผู้ใดที่ไปน้ำทันอ่อนแนมาั่นนี่หลวงตาองค์หนึ่งมาสั่นวดตําแก่มาเออข้าน้อยจะไปน้ำอาจาร์อ่อนมาสั่น เอาเตรียมตัวว่ะนี่เขามาเตรียมตัวแต่เท่าไปได้ไปเหตุเร่งไหนค้นไปหลายเอาเลเออกขนไปนำ้ำแต่ตัดมัม่เหตุกระท่อมหน่อยอุามึก็ เ, เสียมก็กอบก็คุดลุ่มฝังเสาซึงก็กตัดไหม่ฉันมาเหตุเสาตะปูไปตีเหตุกระท่อมหน่อยส อ, อยกระท่อมแล้วเหมือนก้อนคำ ใบชีมุ่งเจะจกับแล้วกัดกับคำยางพ่อเสืออ่าหเสียจิตมันตายอยู่พุ่นหมอนั่นม า, มมานเนกเฮ็ดแล้วไหมกับเป็นไหมเดี้ยนรั้มาเอ็นกับเป็นรั้มข้อขาเขานี่นะตีเด น, น้ํนรั้มลงี่หน้าเอ็ประตูก็เอาไหมเดนรั้มใช้เอาไหมเฮ็ดแล้คขัดไว้ข้างในถ้าเชียเสียขึ้นมันสะเข่าบาดนะนะอ อบาลนี uh, glucose, ้จต uh, ั้งกะมันกะสูงได้เ็ดหสูงกันกันพ่กเฮ็ดสูงเลยยันเสียกระโดดขึ้นยันเสียไปดึงเลยอใช่บันกับลาดอยู่ลงปูพันทังมันลงปูมันไปนี่กัเท็จแล้วกับคำแล้วระบาดเนี่ยคำเสนอมู่นี้เราเท็จยังไงฮะเนี่ยนเนี่ยมันคำเหล้วผู้ขาสุ่ไ่ได้เดินตรงกลมด้อยพั่านจ้งชัดจะเอาไว้อยู่ ลาบวชเขาว่าหนึ่งไหวพระสวดมนต์บวขาดสองเดินจงกรมบวขาดสามนั่งสมาธาิภาวนาบกขาดสี่ออกเดินทาบาทกันบวชฉันบวไปกันบวได้เดินทาบาทบวฉันอ้าขั้นคิดวัดกดตาทุกวันตั้งสซจยาเอาไว้ มาดนคำว่าบาทเีงเริ่มที่คำว่าเสือกับห่องได้ไหมดทุกหนึุกแห่ทงทั้งที่เอ <c oughs> มาเลยโยคิดคิดไปพ่สัจจะทำที่จะของตัางัจจะเอาไว้กันผู้ขาคิดั จ, จให้ตกนรกเอาเวจี่าได้พุด้กเกิดเจอไว้จ้ะคุณดีัจจะของคนน่ะ เรานธรรมดาเน่พอคิดไปถึงขจาร์นี่วัข่าเสียขจาร์กสิกนรแล้ว่มันก็ต้องลงไปเดินจงกมมาสกนเดินลงไปงจกมนี่หัวก็ลงไปว่าท่านเนีเดินพอสองสาอดเสอกสิมากเสียมากมันก็สแขึ้นกุฏิก็เกาหันบ่อมาเออ ขันมันแลนคืนมาเนี่ยมันก็พอได้เดินกักลมือเขาแล้ววะท่านคือว่าตั้งสัจจไว้ย่างหน่อยเดินสามชั่วโมงมีิลนะบ้านนี้ลงไปเดินโละหละก็ได้สองหลอด3ามหลอบกับไปกับมาเนี่เชื้อหมาเนี่ยจะีแลนคืนวะท่านคนวานขันแลนึ้นไปนนนนเ น, น, ไปนี่ยมันไ่ได้พ่อได้เดินกักลมเสียสัจจาแล้วนี่แล้วมองทีต๊นากบบรกผมไม่ได้พุ้นแต่กเกิดเตือแนแค่เจ้าในวานนีผู้ขาก็ตัดชิ้นใจแล้วว่าน เปิดหน้าต่างพวกเหล่าเอ้ยมองหน้าต่างมันโบมี้มาด่าขึ้นเนี่ยคนวา่าเปิดหน้าตั้งเสร็จป้องเอี่ยมพุ่หลงพ่นเนี่นอะบอบวี้หน้าต่างป้องเอี่ยมเนาะสักทีเนืะประตูนี่ให้ทั้งไหน่ะเนี่ยเอาไมคคัดไว้ทั้งไหนถ้าเที่เสือวา่าะมันเป็นสิบวแล้นขึ้นว่าแั่เสีย <c oughs> กัดมันตายรดวอันที่กับขึ้นไปยานลุกปมันกับขึ้นไปวัดกรยานลุกปุมัน ไคก็เสือบาดเนี่นี่เป็นติงทีเพอ่อเดินจงกรมหรือบาดเสียกับพ่อมาแล่มันไก่เขาไกลเขาทั้ทงนั้นกับแม้เช่นนี้กับเออไม่น่โอยพุทโทเนี่ยไม่มีแล้วเช่นแลนที่แดกกับพุทธโทษอาุ่ข้าวที่แดกกับพุทโทพุทโทษน่ เ้เสือมากใกล้เขาใกล้เขานึงแล้น่ะพุทธทอพุทธทอพุทธทอพุทธ้อบ่มีลมหายใจแล้วเนี่ย <hardships> ดือดเขาคัๆใกล้เขามากแคตายตายตายตายแลนเนี่ยายชิบอนเสียบดวเ่าฮ่า่่าพอดแจ้งคอรอเสือเลยเงียบตอนน้บ่มากเลยโอ้ยแจ้งเสียงเสือเศร้าข้างมรา หายใจออกไปน่นนะเหม่อนคนตายแล้วไปนะั่ขึ้นคุดก็ขึ้นว่าไหรปบ้านศิวินฐบาตรก็บว่านี่เด้อ่าบุญนี่บ้านศิวิษฐเด้อลูกปูมาเราไปชิมไก่ไปนั่นเนี่ยเพราไม่ทันมาได้หมกสามสิบกิโลคนนี่อ๋อไปชิมไม่กลางดงแล้วนะมานี่ยก็ในแจ้งไหนบานนี้ยนั่งนี่ตะรางกุศลที่เราบ้าน นั่งเข้ากได้นั่งแล้วก็ลุกไปเดินเดินแล้วก็นั่งเอ อ, เ อ, อตั้งใจบำเพ็ญภาวนากัญชีนนั่ก็ยังงนตหวนะลวงปู่มันพันหูนะหลวงปู่มันพันหูเด้มันปรตังใจภาวนานะพ่อคัมมาที่นั่งกัมกาบาอะเดินขึ้นเข้าไปเดินชมกลมเนี เดินเชื้อกัมากอะคือเก่าดรื่ลงรพุทโธก็เรมเอาไปว่าก็ตายตายอีกเป็นโยช น, น์เลยสามหมื่อ3าืขึ้นโเหียแตกออก่าเลอบานนี้เ็ดจังไลวน่มานั่งูไปตะรางกุติมาเลยธรรมะทนกะเรียนธรรมะเ่ทนเรียนนะมุ่นกระจาย แสดงว่าเรียนมโนใจใจทั้งอุบัทีเจตกร น, นะนี่นนแหล่าเนี่ยเพิ่น ก, กัได้แต่ทั้มาบทแต่มโนใจใอแล้วก็แป่ธรรมะออกมามนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐนะแปลว่าผู้ประเสริฐนะประเสริฐกว่าอะไรประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนะนะนะวายุพุดเดียวเนยะ อ่าวาโยผู้เดียวประเสิฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแล้วใครประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกอุตภัตต์มีิ่งสองว่ายี่สิบเจ็ดเป็นผู้ปฏิบัติปฏิสัตชอบตามพระธรรมดีไหมข้าพระเจ้าก็เป็นพระประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายทําไม่ทันเร็วกว่าสัตว์มาเ่นหน่อยกลัวเม่ชะก้าร่างเสือมาเถิดเสือมันก็เป็นสัต เหอนั่งเทศจะข้องได้บ้างเนี่ยเออมึงดูอือนี่นยโยบายของปัญหาวิธีสิสอนเทาน่ะนนะเป็นตัวอย่างมาเพอคนเส็จมาแล้วโอ้ยผู้ขามึงฟัวก็สัตวิเหอะวะสิแต่เสียมันมันจิตสิมากินตายรวดมาสินั่งภาวนาเดินจงกรมเหรอก้มันตายรวดเห็ให้บอกันาฟัวมาสิ กำลังใจกระสูงกระเสียชีวิตร่างกายสังขารนั่งภาวนาไปเด็ดเด็ดเมือะะ่อวันทันโอ้ยจิตส ง, งบลงไปนี่เห็นมัดในโลกอันนี้ท่าดำดินบินบนเห็นมัดกับท่าอพระพุทธเจ้าตัดสรู้อยู่จังไดภาหันตัดได้สาเร็จจิตอยู่จังไดปฏิบัติจังใดผู้มัดในโลกอันนี้ท่านเพราะมีแนวคิดบังได้ไหมท่าน โอ้นั่งสวยสุดด้วยหันอีกอาคิตยหนึ่งอีกเน้นสนไจได้สิทธหามือได้สิทหามื่อบ่ได้ฉันนังจักหน่อยอโอ้เต็มอกเต็มใจแล้วพู่มใจแล้วกับทิ้ใจกับขอมวัดมหาลงกูมัน พอเขามามาหอดย้ำคำผุนกำลังสีสันหล่หอมห่อนพอดีวันนี้พาเนี่ยแบบเจ็ดสแปดสคนกำลังเป็นแทวเห็นหลวงปู่อ่อนมากอ่ะหลวงปู่ ม, มันมือเปิดโมกควักบางโลกท่านอ่อนกำลังมากเนี่ยบบบท่านมาหอดอีผุ่นนี่ในต่งคนมันนี่ท่านอ่อนกำลังมากอค่อยั่าอ่อนค้อนนะจ๊ แจกน้ำพอนแจกน้ำพอนนะค่อยขันอ้อนก้อนว่าสอบ่ได้ขันมาหลายมือแล้วมาสิกับพ่านนางยูฮันดประามาณจาักแสชมุ่งเลยหลวงปู่ออนกับมหอ่อพอมากราบท่านหนา่งพอมากราบท่านหนา่งนี่ตัวยางพีดีว่าสนทิฟทูทั้งหลายา เ, เอาท่านอ้อนนี่เป็นตัวยางมาสนนี่ นี่ระชิตตถาคตมาสชนี่ฆ่าเสียสระแม่ชีวิตของตัวเองมานี่เอาชีวิตไปแล้วต่อธรรมะเป็นผูน้ได้บรรลุธรรมคุณงามความดียังไ่ได้บอกข้าทั้งเลยหลวงพูมันเบาควันนี่ผูใ้ใดคิตขัดหรือคัดของขอใดในธรรมะในข อ, นมมนขอปฏิบัติด เ, เดิมเกียรตเดิมสมาธิให้มาถามท่านอ้อนไม่ต้องไม่ต้อ ง, งมาถามผมเนี่ย ทีนั่นพ้นได้หาพ้นษาหาบ้นษาผ่านมาแล้วนี่โอ้ผมบ่เห็นธรรมะนีา่หลวงปู่คู่บา่ายจย์สมัยก่อนเศรษฐิเดชธรรมะพวกเข้ากูเมือมันพวมนมีเสือมันก็เลยน้อนใจเย็นลูก <c oughs> ฉันไปน้อนกางเดินกับพวกใหญ่เอาเสร็จแทนั น, นตัวมสมัยก่อนมันมีเสือเด้อ ขอบนี้เสือนี่ไม้เห็นนั่งขึ้นเนีเพราะว่าเม่อเด็กปฏิบัติซื่อเพลนนี่แหละที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นเขาเขาเบื้องตนนี่สหละสติเปือ่นใจของหลวงปู่คู่บาอาจารย์เจ้าท่านดาวองค์ซึงเป็นปรมานจารย์ถึงเป็นลุกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่หมันสมัยก่อนเข้าไ้เห็นดอกหลวงปู่เสาหลวงปู่หมัน แต่ว่าหลวงปู่ผู้บาดย า, านเท้าคนมาเราหัฟังเมื่อก็รขยันไปดิเสร็จเนี่ยกระเคลื่อนเนี่ยพันเดินจงกรมขึ้นสองทุ่มหลวงปู่อ่อนพันเดินแต่ก็หาเม0งแร่งสอ ง, งออทุ่าามคนกระเคลนขึ้นไปแล้วพวกเข้ากระเคลืนไปกุฏีแต่ค่อยขึากุฏีคนเนยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นขึ้นไปกับหลูพาหลง กอดขาเพิ่นซับนะครันเพิ่นกัดช้นังร่องดอกนังร่งก็ข้อข้องเพิ่นนั่งรลองกพินนวดเส็นแล้วบัดนวดเส่นโมเมนน่อยๆที่เส่นกุฏีคนนี้เน่นน้นห่อยเอาท่ายถไฟเอือซุ้มไงเอาน้ำต้นน้าโตซุ้มน่องเข่าน้ำแข้งน่องขาหเขาได้ชะละมื่อวันมาอ่านั่นแหละไปเอาเส่น เราเรียนนี่เื่องฟังเทศคูคู่หมวอฟังเทศคู่หมวยนี่ทัพมาคู่หมูค่คู่หมื่นี่ลหละอีกจาหนึ่งพันวานี่พันภาวานา <c oughs> เห็นอาการสามสิบสองาจาพนวาเห็น <c oughs> เห็นอาการสามสิบสองข้างแรก พนังเพราะว่าได้ดูเก็ดหมื่อเก็ดขึ้นล่ะก็ได้เห็นเล็บมือนี่เห็นเล็บมื่อเหน็นเด็บ เ, เ, เด็โปเห็นเนี่ยนั่งเขาหน้าเดี่ยวนี่เนี่ยเพื่อนเห็นเดวเล็บมือ่อือโปอแล้วกนะัเห็นเข้าไปหวกเนื้อทั้งในใสเล็กต้องใสเห็นเขาไปทั้งใสจะเห็นกระดูกยูบหัวไปเมื่อกระดูกวอนมาเกันมันก็ม่เดียกเลี่ นี่เนือหุ่มย่วเลยกระเดงนๆรั่วเลยอืมเนว่าเบิงไสเบิ้งไสพ่อหอดเพียงขึ้นสี่หนึงเลยอันอันเล็บมือเนี่ยมองเล็บมือ่ยกับกระดูกกับเนื้อทั้งในใสแก้วเันว่าออกแสงใสแก้วผ่านแก้วอะพวกคากับวลุกแล้ว เนีผู้ขากับบัลุกนั่งกันแจ้งเลยแจ้งมาแล้วก็จะจ้จองยุหันละมาสิผู้ขากับบัลุก ม, สมาสิพระดิศก็บอบกวับผู้ขานี่กับพวกลุกคิดมันหรอผู้ขากับบัลุกมาสิผู้ขากำลัลลลงยุหันอี ก, กมัดมือมาได้นั่งไปอีกจนหอดเทียงขึ้นอีกก็เห็นขึ้นมาอีกขอนึงมาสิเห็นขะึ้นมาอีกขอนึงก็เป็นเลือดเป็นเนือ้อธรรมดา ก็เพ่งใส่เพ่งใส่ในแจ็คช on> <tit> <tit> <catalyst> ั่วโมงใส่แก้วหอดกระดูกขึ้นเกาอะไรเนี่ยเวลาผู้ขากะบอนนั่นมาเนี่ยผู้ขากะบลุกผู้ขากะดังไสอีพอดขึ้นที่สามมาเนี่ยหอดเทียงขึ้นก็เลยขึ้นมาหอดขอนี่จะเป็นกระดูกเป็นเลือดเป็นเนื้อขึ้นเขาเพ่งใส่บ้างใส่จนใส่แก้วเป็นแก้วทั้งมด หัวผมือขันเพราะเลยจากนั่นไปเงาเงาไปไปเขาเลยถามมาเคยเห็นอันผ่ากระดุมมันบอน่อไหม่ามันถึงกระดุนมันเป็นยังไงไหมเขาบ่กเขาใช้ผาถึงกระดุมโอ้อเ่เคยใส่ตเกียงบ่อฉันบอกเขาใชเคยใส่ตะเกียงบ่เอาผ่าเช็ดมันบ่ใส่ะเกียงกัน นั่นแหละปัญวาเนี่ยมันมันมันชื่อผ่ามันซุ่มไปวัดนะท่านเอาไฟจุดเื่อๆกับฮวงม่องเราประจันวานั่นลาวท่นมันก็ไปด้วยกระดูกทุกข้อทุกเนี่ยเมื่อเห็นเมืดไหลไปบัดตนมะตูดครบวัดในร่างกายสังขารนะท่าเท่งลงไปเบิ้งลงไปหนึ่งเห็นมืดเนี่ย ธาตทั้งที่ทั้ ง, งหางกลายเป็นแก้วบัดเลยกลายเป็นจกักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจเป็นตำลักบะมีแนวายังคิดบังได้คนมากัลสิมาหาเบยบามาจะใช้กระทางคิดมาจะใช้กระสามะหอดหลวงปู่วันจะบอกวถซึนี่ยคือความลูกพิเศษของคนหลวงปู่อ่อนเนี่ย ลุงปูมันล่กว่าพ่าพี่ทิศน